ธรรมาชาดกแผ่นที่8ลำดับที่ส0บโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24พสพฤศจิกายน2555ห้ามีชื่อเรื่องว่าพระเทระเตี้ยวันนี้เป็นวันที่ 24พิีพฤศจิกายนพุทธศักราช2555อีกไม่กี่วันก็เป็นเดือน11เพ็เนเป็นวันสิ้นเขตกระถินกระถินของพวกเราตั้งแต่วันออกพรรษาแล้วก็1เดือนตั้งแต่วันออกพรรษาหนึ่งเดือน อีกไม่กี่วันก็จะถึงหนึ่งเดือนล ะ, ะก็เป็นวันชินสุดเคตกทินแล้วก็วันนี้ตอนเย็นจะมีการสวดมนต์สมโพธเจดีย์ของหลวงปู่เพียรวิริโยวัดป่าหนองกองหลวงพ่อคงจะได้ไปถ้าไม่มีอะไรนะก็คงจะได้ไปร่วมสวดมนต์แล้วก็พรุ่งนี้เช้า ก็มีการทอดกระถินสามคัคคีสรุปแล้วก็คือทั้งสมโพธพระเจดีย์ด้วยทั้งงานกระถินด้วยทั้งสองงานวันนี้สวดมนต์เย็นวันพรุ่งนี้สมโพธเจดีย์และก็ทอดกระถินหลวงปู่เพียรวิดดโยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ เป็นลูกศิษย์หลวงตาแล้วก็ในช่วงที่หลวงตาลวงกรุงเทพไปพักที่สวนแสงธรรมก็หลวงปู่เพียรเป็นผู้ติดสอยห้อยตามหลายปีแต่สุขภาพหลวงปู่เพียรย่ำแย่กว่าหลวงตาหลวงตาที่เป็นครูบาอาจารย์แต่หลวงปู่เพียรพอไปช่วงระยะหนึ่งสุขภาพท่านก็แย่ ท่านติดตามองค์หลวงตาไม่ได้หลวงตาก็มองดูแล้วเออเอาไม่ต้องไปสมุะฉันเรียกลงปู่เพียนเด็กสมุนะสมุเพียนเอาสมุไม่ต้องไปเอาใหญ่ไปใหญ่ก็คือหลวงปู่บุญมีฮะทนเรียกท่านใหญ่เอา่ายไปไงใหญ่จะไปด้วยไหมสะดวกไหมที่จะลงไป พอสมุกไปไม่ได้เลยหลวงปู่บุญมีก็บอกว่าถ้าให้ก้าผมสะดวกไม่ไปสะดวกกว่าข้าผมมั้ยจ๊ะไหอหลวงปู่บุญมีตอบองหลวงตาถ้าไม่ไปสะดวกกว่าข้าผมเออเอาทํำไ้สะดวกก็ไม่ต้องไปเอาทํารีไปก็เลยเอาหลวงปู่ลีไปหลวงปูล่ลีไปทํารีเลย ท่านเรียกลุงปู่ลีเนะี่ยทำลีเรียกลุงพ่อก็าวาทำอินเหมือนกัน <laughs> ตอนนี้เอาทำลีไปลุงปู่ลีก็เลยติดตามเราก็เลยถามหลวงปูป่บุญมีเอาคุยานทำไมคุยานจึงไม่สะดวกกับการไปอ้ยผมสุขภาพของผมก็อย่างนี้อะผมก็อายุกแก่มากแล้วไม่คล่องไม่คล่องแค่วไปกลัวจะเป็นภาระของพ่อแม่คุยา์ คงจะไม่ได้ทําอะไรที่ท่านให้ท่านสบายทําให้ท่านหนักใจแล้กวก็เกกะกะกับท่านอีกต่างหากผมเลยไม่ไปสะดวกกว่าเขาผมะลงตาก็เลยเออเก็เลยเอาหลวงปู่ลีไปแทนเอาธรรลีไปแทนอย่างนั้นลงตาก็เอาหลวงปู่ลีติดสอยห้อยตามแทนจากหลวงปู่เพียรวิริโย แต่จากนั้นหลวงปู่เพียรท่านก็ไม่นานอาการอพาชของท่านหลายโรคเกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพองตาก่ อ, กอนท่านก็คงสูบบุหรี่จัดพอสมควรนะแต่ขนาดที่ที่ขนาดยังป่วยอยู่ก็เลยก็ยังบางครั้งนะเอา้าบุหรี่มาซิเขาบอกโอ้ยหลวงปู่ไม่ต้องสูบหรอกสูบบุหรี่เดี๋ยวออ ปอดมันยิ่งถุงลมโป่งพองอยู่แล้วคนที่ไม่สูบบุหรี่ตายก่อนเราก็มีตั้งเยอะแยะว่ะอันนี้เราสูบบุหรี่ยังตายช้าของเขายังมีอีกเอามา <c oughs> อันนี้หลวงปู่เพียรท่านว่านะนี่แหละจากท่านก็เราก็ได้ไประชุมเพลิงท่านปีนี้เป็นปีที่สี่หรือมั้ง จำไม่ผิดนะพอท่านมรณนะภาพปีหนึ่งปีที่2เราก็ได้ลงมือกันประชุมกันสร้างเจดีกับหลวงตาได้มาวางสิริเลิกอยู่วันนั้นแต่หลวงตาป่วยแหะหัวหัวแม่เท้าก็รู้สึกว่าอาพาธหนักพอสมควรแต่ส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่หัวแม่เท้าของท่านที่ผ่านมาในวันนั้นยังมองมองท่านยังเห็นท่านอยู่จากนั้นท่านก็ได้มาเป็นประธาน วางซิลเลิกที่วัดหลวงปู่เพียนจากนั้นเราก็ได้ลงมือสร้างเจดีก็เสร็จเรียบร้อยละพอเสร็จปีนี้นะแต่ที่ตามไม่จริงก็หลวงพ่อกขบอกอยู่เอาช่วงก่อนเข้าพรรษาดีไหมทางฝ่ายพระกขาบอกอยังไม่พร้อมยังไม่เสร็จดีตรงพ่อเ อ, อือกระสุดแท้แต่สู่เจ้าเป็นเจ้าอาวาสในพื้นที่ สะดวกวันไหนก็เอาวันนั้นหล ะ, ะก่อนออกปรรษาก็เลยมาเสนอว่าจะขอเป็นวันทอดกระถินได้ไหมหลวงพ่อเออได้แต่จะง่ายไปสักหน่อยแต่ตามเป็นจริงครูบาอาจารย์ระดับนี้เป็นพระเถระผู้ใหญ่จะมาสมโพธิเจดี JD พร้อมกับกระถินนี่ดูๆมันก่อนวัดต่างๆในช่วงนี้ก็มีแต่วัดสารวนวุ่นวายกับกระถิน ทาว่าจะเป็นอย่างหลวงพอ่อหลวงพอ่อ น, นูนอ่นล่ะเดือนกุมภาพันธ์ให้มันว่างๆคนคนสบายๆอย่ายยงค่อยสมโพธก็ไม่เห็นจะรีเปร่งอะไรแต่ก็สุดแท้แต่นอะอะไรก็ได้ทั้งนั้นละ่ะผูกง่ายๆจบง่ายๆเอาง่ายๆก็ได้ไปเอาอะไรยากอั น, น, นไหนจะได้ง่ายทําไมเอาให้มันยากแต่ผููมันยากกเออ ท, ทําไมจงเอาง่าย ครูบาอาจารย์ทั้งองค์น่าจะประกาศให้ลูกศิษย์ลูกหารับทราบถว น, นากันแล้วก็ทำให้ใหญ่เชิดชูบูชาครูบาอาจารย์ให้ทั่วถึงกันให้พวกที่คิดใหญ่ต้องคิดอย่างหนึง่งแต่พวกคิดน้อย้ยจะไปทำอะไรครูบาอาจารย์ของดีอยู่แล้วดูอย่างไงก็คือของดี ไม่ต้องยกก็เป็นของดีอย่างเก่านั่นแหล ะ, น ะ, นะพวกเราก็ยกอยู่แล้วเ อ, เอาง่ายๆเลยเอาง่ายเ็ง่ายเนี่ยสำหรับแต่สำหรับหลวงพ่อเองได้ทั้งสองอย่างชุดแท้แต่ลูกศิษย์ลูกหาง่ายก็ได้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แต่ข้อสำคัญหลวงพ่อกลัวที่สุดคือกลัวทะเลาะกั น, นถ้าทำอะไรขึ้นมาแล้วถ้าใหญ่ขึ้นมากั น, นะทะเลาะกั น, นถ้าเล็กก็ยิ่งทะเลาะกันอีก อันนั้นไม่ดีเลยการทำงานอะไรก็ตามถ้าคนมีความพร้อมเพียงสามารถีกันรักกันเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านล่วงรับดับขันไปจุตินิลพานไปแล้วท่านดีท่านก็ดีไปแล้วบารมีของท่านท่านสังสมคุณงามความดีของท่านเต็มเปี่ยมแต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่อยู่เบื้องหลัง เราควรจะเฉิดชูบูชาในองค์ท่านอย่างไรแต่บางคนก็บอกเอ้ยหลวงตามหาบัวท่านก็บอกแล้วท่านไม่ได้ต้องการอะไรตั้งต้องการความเรียบง่ายทําง่ายๆทําทไมพวกเราจึงทําให้ใหญ่โตด้วยคิดเป็นเงินออกมาถึงเยอะแยะเอาเงินก่อนนั้นไปใช้อย่างอื่นไม่ดีเหรอทําไมจะเอาเงิน ก่อนนั้นเงินจำนวนมากมาสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงตาท่านไม่ปราถนาอย่างนั้นหรอกคนอย่างนี้ก็มีพู้อย่างหนึ่งก็อเอ้ยหลวงตาทำคุณูปการให้แก่ประเทศชาติมากมายมหาศาลเป็นหมื่นมืนล้านคิดดูสิทองคำเข้ า, ขาคลังร้วงสิบสามตันกว่าแล้วก็เงินดอนลลาร์กว่าล้านกว่าดอลลาร์ ถ้าคิดเป็นเงินไทยทุกวันนี้เท่าไร่บวกลบคูณหารด้วยสิอันนี้เฉพาะทองคำนะช่วยหรือโรงพยาบาลตรงเรียนเครื่องมือแพทย์สาธารณประโยชน์อย่างอื่นมากมายหลวงตาช่วยประเทศชาติช่วยลูกหลานแต่บัดนี้หลวงตาจุตินนรพาลไปแล้วพวกเราลูกหลานทั้งหลายเชิดจูบูชาท่าน ทําสร้างเกดีสร้างพิพิธภัณฑ์เท่าๆกับศารพระภูมิเนี่ยมันถูกไหมฮะมันถูกต้องไหมสร้างสร้างแยกเท่าสารพระภูมิเฮถวายลงตาถูกต้องไหมอันนี้มันก็เป็นความคิดเห็นของสิทธิอนุสิทธิ์เหมือนกันสรุปแล้วก็คือความถูกต้องเหมาะสมอยู่ตรงไหนหลวงตาอยู่ในระดับไหน ควรจะเชิดชูบูชาในระดับไหนแล้วก็ควรจะอันไหนคือความถูกต้องอันไหนคือความเป็นธรรมอันไหนคือเหตุผลอันนี้เป็นหน้าที่ของสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายในกลุ่มนี้ในชนกลุ่มนี้ก็แปกแตกต่างกันอีกเพราะบางคนก็สายตาสั้นบางคนก็สายตายาวแต่บางคนก็มักง่าย บางคนก็มักอยากสุดแท้แต่มันก็นานาจิตต่างนานาทัศนะอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือให้เหมาะสมแต่ใหญ่ก็จะให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ใช่ว่าใหญ่ขึ้นมาจนคนอื่นเดือดร้อนตาเล็กก็เล็กจนหน้าเกียดจนรับบาปรับกรรมในอดีตชาติก็รับ มาปรับกรรมของตนเองที่ได้ออกปากออกเสียงไปอย่างพระในครั้งพุทธกาลหลวงพ่อเคยยกมาปกุลละพัฒยาเป็นนายช่างใหญ่เป็นที่ยอมรับของคนในยุคสมัยนั้ น, นสมัยสร้างพระพุทธเจ้ากัจจปะในพัฒกาบนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์กกูสันโธองค์หนึ่งโกณคมัโน องหนึ่งกัจโปล่องหนึ่งโคตโมอง์หนึ่งอริยนะเมตโยอริยนะเมตโยเนี่ยยังยังไม่มาตรัสยังไม่มาอุบัติขึ้นในโลกเดีนะ๋ยพระศรีอานะอริยะเมตโยโคตโมก็คือพระโคตมะพุทธเจ้าของเราเนะี่ยโคตมะองค์ที่สี่กัจโผล่ก็คือพระพุทธเจ้ากัจฉปะไม่ใช่มหากัจฉปันพระพุทธเจ้านกะัจฉปะคือก็บอกกัจโปล่ ตีเมื่อพระพุทธเจ้ากัสปโปกัสจปะปรินิาพานลงคนทั้งหลายก็ประชุมกันอย่างองค์ลงตาจุดตินิลพานไปอย่างนี้แหละอประชุมกัน ล, ลูกสิษย์พอประชุมกันแล้วก็พวกเศรษฐีทั้งหลายพวกมีเงินทั้งหลายพวกกษัตริย์ทั้งหลายเขาก็บอกเออเจดีของพระพุทธเจ้ากัสจปะของเราเนี่ยต้องใหญ่อย่างนั้น สูงอย่างนี้ต่งงานอย่างนี้สวยงามอย่างนี้ต้องใช้เงินเท่า น, นั้นเท่านี้อแต่นี้พวกกลุ่มหนึ่งก็บอกโอ้จะเสร็จหรือใครจะออกเงินใครจะมีเงินถึงขนาดนั้นใหญ่ขนาดนั้นมันไม่เสร็จหรอกถ้าซ้าไปแล้วก็ค้างเติงเห็นไหมไม่รู้ว่ากี่อย่างค้างเติงทาไมจะไปหาทําใหญ่ขนาดนั้นไม่เห็นด้วยทําเล็กๆขนาดนี้ก็พอ ตอนนี้คไปเป็นสองเลยคำคนคนในยุคนั้นสมัยนะั้นสองแตกเป็นสองคนหนึ่งอยากจะให้ใหญ่สวยงามหรูหราโอ้อาเพราะคนมีเงินพูดไอ้คนจนพูดก็พูดอีกแบบหนึ่งทำขนาดที่กระทัดรัดรักษาง่ายต่อไปภายภาคหน้าใครจะเป็นคนรักษาแล้วกัคนที่จะรักษาไม่มีไม่ใช่จะมีศรัทธาเหมือนอย่างพวกเราต่อไปภายภาคหน้า เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ดูแลรักษาพระเจดี เ, เดี๋ยวเห็นไหมพระเจดีหักล้างไปเท่าไหร่เท่าไหรทำขนาดเนี้ยกระทัดรัดเนี้ยเล็กๆเนี่ยพอรักษาง่ายกลุ่มหนึ่งว่าอย่างนั้นแต่เนี้มันก็แตกเป็นสองหลายกลุ่มเลยนะอ้าวลงมติกันใครก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ากัส ป, ปะเหมือนกัน คล้ายๆว่าเออยย่อนบัตรลักษณะอย่างนั้นแหละลงมติกันเออพวกเราคิดดูสิว่าคนจนกับคนรวยเนี่ยอันไหนมากกว่ากันถี่นไ อ, อ้คนรวยมันก็ไม่กี่คนพวกเศรษฐีพวกกษัตริย์ไ อ, อ้พวก ก, กาวเลกวรลาตตสีตาสาตามีตมาไ อ, อ้ขีดยางเกี่ยวข้าวเ อ, อ่ไล่มันไล่สำปลังเนี่ย มันมากกว่าใช่ไหมล่ะไอ้พวกนี้ก็ในช่างคนนี้ก็โน้มน้าวเลยผมว่าไม่ต้องทำใหญ่หรอกทำเล็กๆ เ, เพื่อจะได้รักษาง่ายเสร็จเล้วอีกตัางหากเราจะได้กาปไปไหวเร็วอันนี้ใหญ่ขนาดนั้นเ่ยเกิดพวกเราตายก่อนไม่ได้เห็นหรอกเนี่ยทำไมเราจะไม่ทำให้กระทัดรัดให้เห็นได้ง่ายๆฮะเอาลงมาตีกันพอลงมาตีกัน สู้ฝ่ายจนไม่ได้แล้วท่าน่ฝ่ายรวยก็เลยกระเด็นกระดอนไปแพ้ฝ่ายสร้างเล็กนี่ก็ชนะไปพอชนะก็เลยสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้ากัจสปะขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นมาท่นี่ช่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็กระทัดรัดอย่างที่ว่าสวยงามกระทัดรัดเรียบง่ายฮแต่บาปกรรมะไจีดท่นี องค์ที่ว่าอย่าไปสร้างใหญ่นะเอาสร้างเล็กๆเกนะี่ยเกิดพบหน้าชาติหน้าตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมานะ่ะเกิดพบไรชาตดรเต้ตลอดไปเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กตัวไม่ใหญ่จนมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าคโคตมะของเรานะเนี่ยท่านก็ได้มาบวชพอบวชได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์อีกเล็เป็นพระหรหันต์แต่ตัวเล็ก ตัวเตี้ยๆเนี่ยชื่อพระกุณรพัทยามหาเถระเป็นมหาเถระอีกต่างหากนะเพราะท่านเป็นพระหันแต่ในพระสงฆ์มากราพระพุทธเจ้าสามสิบลูกตอนใช้สายพระพุทธเจ้าสันปัตถ า, ารจะหวยปัทหารเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็เข้ามากราบเพื่อรับโอวาทแต่ในพระรักุนทพัทยาเห็นพระสงฆ์กําลังจะเดินมา ท่านก็เลยมากราบพระพุทธเจ้าก่อนท่านเกษีธุระของท่านท่านก็ได้กราบทูลลาพระพุทธองค์แล้วก็เดินส่วนออกไปพอไปพระจํานวนนั่นเห็นเนี่ยเอามือเขยุ่มหัวพระเถระผู้ใหญ่เขยุ้มหัวเล่นเนี่ยโอ้สมัเองทําไมหน้าตายิ้มริมน้ารักมกักน่ารักเนะ่ะฮะมาจากไหนเนี่ยไอ้พระทั้งสามสี่สิบห้าสิบองค์ที่เดินจะเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเดินผ่านองค์ไหนเขาเอามือเขยิ่มหัว แต่พระเถระท่านก็นเชยทั้งที่ไม่ใช่สมณเณร น, นะพระเถระนั่นแ่ะตัวเตี้ยๆฮะตอน น, นี้พระพุทธองค์พอมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามว่าพวกเธอทั้งหลายเห็นไหมพระเถระที่เดินผ่านลงไปเมื่อกี้เนี่ยพระเหล่านี้ก็ไม่เห็นพระเจ้าเห็นแต่สมณเณรครับผมนั่นแหละนั่นหละที่เดินผ่านไปเห็นไหม พระเถระไม่เห็นพระเจ้าข่าเห็นแต่สัมมเนนนั่นแหละสัมมเนนั่นแหละที่พวกท่านทางเราว่สสัมมเนนนั่นแหะนะคือพระเถระพระรกูลพระพระตัตยะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เสียงไพเราะแสดงธรรมขึ้นมาเนี่ยเป็นที่จับใจของคู่คนทั้งหลายนี่แหละพระเถระนะั่นเป็นพี่ของพวกเธอท่านทั้งหลายคือเป็นอสิติมหาสาวกของเรานะ พระสงฆ์เรานันก็นงงแตกเลยตอนีเอ้าทำไมรูปร่างของท่านจริงเล็กนักไปเจ้าขาดเออทำไมท่านจริงได้เป็นพระมหาเทระบุญหนักศัก์ใหญ่ขนาดนั้นทำไมรูปร่างยังเล็กเพราะในอดีตชาติพระงโ์บอกในอดีตชาติตกรในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะกัสโปโ ร, ริสัมปันโนเขาเป็นนายช่างใหญ่เออแล้วก็นี่นะประชุมหารือกันเขา เศษฐีพ่อค้าใหญ่กษัตริย์เขาก็อยากจะสร้างให้ใหญ่เพื่ อ, เ, อ, อเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้ากัปะพุทธเจ้าแต่ในช่างใหญ่เนี่ยสั่งเล็กๆ ก, ก็พอแล้วรักษาง่ายกระทัดรัดเสร็จเร็วสร้างนานเท่าไหร่จริงจะเสร็จก็ไม่รู้เอาน่ลงมติกันนั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นมาชาตินั้นมาม า, มาถึงชาตินี้เขาเตี้ยอยู่ตลอด คนนั้นบาปกรรมตัวนี้ไม่ไปถึงไหนไหนแต่ตามไม่จริงคนที่เตี้ยมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะแต่ก็ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งแต่คนเตีย้ยมก็พอใจในเตี้ยของตนเองเฮ้ยเตีย้ยมันก็ดีเนี่ยวะเวลาตัดกางเกงก็ตัดตัวเล็กๆก็ได้ไม่ต้อจ่ายเงินมากเหมือนกับคนหัวล้านไม่ต้องจ่ายเงินค่าตัดผมมากใช่ไหมเสื้อกับเสื้อผืนเล็กๆกางเกงกับกางเกงเล็กๆผ้าห่มก็ผ้าห่มเล็กๆ อะไรก็ะเล็กไปหมดเพราะอะไรเพราะตัวเตี้ยใช่ไหมล่ะเมันก็ดีไปอย่างเหมือนกันนะแต่เสียเปียบหน่อยก็คือเวลาลงน้ำเท่านั้นนะเวลาเขาเดินไปตัวเองได้ลอยแ่ะได้ว่ายน้ำาห่ะเอเพราะตัวเตี้ยใช่ไหมล่ะนี่แหละถ้าบอดดีก็ดีอย่างถ้ามันดีกมันไม่ดีอย่างวาดอันนี้คือการพูดบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษา เพราะการพูดบางเสียงบางอย่างเป็นบาปกรรมเข้าสู่ตัวเองการพูดก็เป็นบาปกรรมเข้าสู่ตัวเองการกระทําก็เป็นการให้เป็นบาปกรรมให้กับตนเองและกัการคิดคิดจะก่อนค่อยพูดเป็นบาปกรรมเข้าสู่ตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งไหนที่จะเป็นบาปพวกเราผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ต้องคิดว่า จะคิดยังไงจึงจะไม่เป็นบาปจะทำยังไงจึงจะไม่เป็นบาปจะพูดยังไงจึงจะไม่เป็นบาปถ้าจะว่าไปแล้วกันเนี่ยพระกุละพัทธิยะนย่ท่านท่านก็ทำท่านก็สร้างพระเจดีย์แต่ก็ท่านก็สมบูรณ์ทุกอย่าง เ, เงินคำทรัพย์สมบัติสมบูรณ์แต่ว่าที่ไม่ดีก็คือตัวของท่านเตี้ยท่านเองเพอท่านได้ได้ใช้วาจาของท่าน บาปกรรมของท่านบาปของท่านก็คือท่านตัดกรอนพระเจดียด์ของพระพุทธเจ้าก็จปะให้เตี้ยลงนี่แหละใครก็าตามสมัยนั้นเคงบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องนะบางทุนก็เห็นด้วยคึ่งๆกลางๆงเพราะนั้นกองใหญ่ก็ไม่ใหญ่เตี้ยก็ไม่เตี้ยพวกที่เห็นด้วยกับพระลักขุนพระพัทยานี่ยก็คงจะเตี้ยมาตลอดมั้ง อย่างพวกเราเห็นคนเตี้ยๆทั้งหลายทั้งปวงตามถนนถนทางหลวงพ่อพ่อว่าปีส่วนเหมือนกัน่ะเอเขาอยากจะสร้างใหญ่ตัวเองกับตัดรอนให้เขาสร้างเล็กบาปกรรมตรงนั้นล่ะติดสอยห้อยตามมาเกิดพบไราชาติได้ก็เตีย้ยเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามเราจะไปทําอในสิ่งที่อตัดรอนเขาถ้าเขาจะทําใหญ่เออเสร็จไหมละ่ะคุณต้องรับผิดชอบนะ ถ้ามันใหญ่เอาเอาเลยเขามันดีเลยนะอนุโมทนาสาธุแต่มันเสร็จแล้วจะให้เดือดร้อนคนอื่นอย่าทำนะถ้าทำไปแล้วเดือดร้อนคนอื่นไม่ดีตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนตัวเองก็หาเงินปลกปลกุกผลีนสุดเส้นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากสร้างเจตีก็ยังไม่เสร็จอย่าให้เดือดร้อนนะถ้าว่าตัวเองทาได้เอาเอาเลยสิ่งเหล่านี้มันต้อง ดูเออดูเขาดูเราเนีแต่ว่าเจดีย์ของหลวงปู่เพียรของเราอ่าก็เสร็จแล้วนะเนีเจดีย์ของหลวงปู่เพียรของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะหมดไปประมาณสิบกว่าล้านนะเ น, นี่ยชวันจะได้สมโพธิวันคืนนี้แหละวันแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นว่าเสร็จบริบุตรอ่าต่อไปรับผล